พระธรรมเตสนาปื้นเมืองเรื่องหัวใจเพศภูเก็ีสองเรียบเรียงโดยปออินสมชัยชมพูป ร, รียนทำรรหกปรโยกทรัรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ มหาจโนตตาโนญาตินังอัตถาญญาปาริเตวามโนมหาสตมกาสีสาธาวุดูราสปุริสาตังาลตังยิ่งใจ่มเทาอันฟังผูกเก่าตัวมา จุงจักดาฟังต่ อ, อยังบาดคอผูกซองก้อยทริปองสั้นทีเอาเป็นตีสอนใจดังจักไข่ต่อแทงฮือแจงทียาวไปแนน่า <c oughs> มาหาจะโนอันว่าคนยิงใจมวลหมู่กาอันอยู่เวียงใจต่างรำไรร่องให้ดังกองไข่ท่าดี ดังปตาวีใหญ่กว้างจักลมมังเพตายอนโยธาอากายับจังมาเดือลาหลตั้งเด็กยิงใจหลาหลากจวงมัดหลากปะไปลวกกลานไัยบ่อเว้นจับใดเป็นเส้นนานำเปืือจากนำไปคาคือความนาบำวาย กับสันตั้งหลยใหญ่น้อยอย่างลาร้อยเป็นธาราเปื่อปูจานยันใหญ่ือเต้าไทย ส, สดสดีเจ้าปุรีหลายแลอันเป็นพ่อแม่เด็กขาตั้งญาติกาปีน้องให้รำร้องเรร่อนโกละหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไข่าทานีก็มีหันแล่นะ อาตาในกาละนั้นใส่นางนาดให้มันลีการาจ า, ายาหยดเ้าแห่งตันเต้าผู้บ้านฟังเสียงสารแสบให้แห่งไพไต่คนในจริงเร็วไว้ไปสู่ยังตีอยู่หอกคำย่อมือตั้มต่างเกาทาเต้าเจ้าเวียงใจ ว่าเป็นสันใด้นั่นใส่เต้ามนไม่มองผ่านบ่อสำรานดูหลากดังลำบากลำนาเต้าก็จะบอกเล่าตั้งแต่เก่าถึงไปคือนางบุญภัยยดใหญ่รู้แจง้งไขตามมีนางเตวีขับไว้ว่าข้าแด่เต้าไทยเนื้อหัว แม่นว่าตัวแห่งเต้าพาแผ่นดาวสองเมืองเตจะเรืองแผ่กว้างคนเหล่าอ้างลือสาส่วนพญาเต้าไทยหาบบ่ได้ดีดีพญามีหากน้อยดังคนถอยปานาคนบ่มารณนาหมุบมููมีชีวิตอยู่ยืนหลายย่อนคนอื่นตายแตนเหล่าเต้าเป็นเจ้าหอดจันเกยได้หันและหู ว่ามีอยู่แดนใดกวนคนิงในสั้นสองหืมแม่นจ้องตามร้ายว่าเรากลัวตายแต่ใส่สัตว์น้อยใหญ่นำหน้าก่อขวามาราณาจุภูใครมีชีวิตอยู่นานไปเป็นสันใดตันเต้าเชือกำกาวทุนสารแห่งโหราจาันผู้เท่าอันมืดเศร้าจังไร <c oughs> แล้วเอาตกไปตกใส่แก่ไยไตเจ้าเมืองเต้าบุญเรื่องอย่าจ้าไปจิ่มขาเร็วปั้นไปอภิวันน้อมไว้ยังพระบาทไทยสับ ป, ปัญญูและอธามดูหือทีเตียงเสียงตีสงสัยแล้ว เ, เร็วไว้แต่งหางตามพระก่าวอ้างจะสอนแดเตอ ถ้าขคราจาในกาลนันทัยเต้าหยดใหญ่ประสนนติโกศาลาราจากับนางมันลิกากินกู้ก็รีไปสู่วิหารนำมาสการกมเก่าไว้พระพุทธเจ้ายอดมูนีทวนสามตีคบไขแล้วนั่งอยู่ไกล้ได้ได้ย้อนกัวตายลายหลากบ่อจ้างปากไข้กำ พระองค์คำยอดซอยจริงตานถอยไขายจาว่าสันไดจ้ามหาราเจ้ามาแต่เจา้ายามวันเจ้าจันบอกปากย้อนใจหากเววานางมันลิกาผู้ฉลาดจริงอาคิวดันจุลีไขวตีบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงไป คือพระบุญภายตีไว้หัวแจงว้งไข่จูผักก า, ารพระจินนามานปิ่นเกา่าจริงธรรมเต้าเจ้าห่อใจว่าเสียงสันใดนันไสอันเต้าหากใดฟังมาเจ้าปารายศใหญ่ย่อมือไว้เหนือหัว บอกเสียงเปิงกลัวหลายหลากอันตนหากฟังมาว่าตัวสะนาโซดังนี้เป็นเสียงลับรีเลือใจแต่เมื่อไนปังก่อนก็บอกฮันเคยฟังเสียงดังดังเหย้าเหยียดใจความเขือเกรร์นพระตสะปนตีไวยหูแจ้งไข่บัดเดียวจริงจ้เรียวตอบเราว่าขอเต้าเจ้าห่อใจ อย่ามีใจซาตานหรือผ่านญาณกว่าตายอันตรายน้อยใหญ่บ่อหอนใดมีมาเสียงนั้นนาดูหลากดังมาจากโลหกุ่มพีสาตัวมีบาปใหญ่ใดกะตำไวปังลังเป็นตุขังบ่อเหือดร้อนไม่เดือดนำนาพาธานาะไข่อูเหือคนหูเครื่องขี ว่าใดโลหะกลุ่มพี่นั่นเหล่าร้อนไปเอาสันได้จริงจะใครบอกข่าวตามดังเต้าฟังมาเจ้าปาราธิราช จ, จริงอภิวทาจะาใครวากกำจังไรฮึกยาปลือว่าบาปสังจาอันสัดนานานันไซ <c oughs> ได้สร้างไว้เดิมออนพระจินละวอนปินเก่าจักบอกเล่า ป, à ป, à ป, à ป, à ป่าปักรรมอันหึกนำถอยไรยอันสัตว์นรกใดกตัมมาคือเจ้าปารารู้แจ้งจริงกล่าวแสงกำไปว่าขอเจ้าหอใจยศใหญ่ฟังเรื่องแต่ไ ท, ทยเดิมมาบัดนี้แดเตอ อาตีเตแต่เบ น, นานปางก่อนคนอยู่บนโลกามี อ, อยุวาสานยืนมาสองหมื่นปีหากเป็นไม้ปางพระบนภายตนพาเสดกัสปะเลิดยอดมูนีมีปารมีน้อยใหญ่หอมยับไม่นำนา <c oughs> บังเกิดมาผดโลกดาบตุกศอกไั่มานป่าป ร, ปริวานลายหลากสองหมื่นหกเป็นไม้สะเด็ดพันภายเตียวเตดไปสู่เขตเมืองปาราณสีเจ้าปุริรู้ข่าวใจจืนแย่ใจบ้านจวนกันตานเป็นหมู่พ่องเป็นกู่สองสามพ่องหลายลำ ม, มักเต้าตั้งหนุ่มเท่านินใจ มีใจพายจมเจื่อนแต่งยกยืนยอตานยังโพอจะนอาหารเขานำวัตถุพม์ตามรายยังมีสีใจหนุ่มเน่าเป็นลูกเต้าเศรษฐี เ, เขาของมีนักโสดสี่สิบโกดเป็นไม้สีสะหายนั้นเล่าจู้คำเจ้าคืนวัน อยู่จอมกันเป็นหมูไข่เก่าอปักสาหวางเงินคำขาลายแลมีอยู่แก่เฮือนเฮาเราจากเอาใจาใจบ่อนได้บกบางในเล่มช่างใหญ่น้อยบ่อรูถอยบอ่ อ, ยบอรูถอยบางตาเยี่ยสันได้จ้านั่นโสดจากมีประโยชน์กับตนสหายสีค่คนนั่นเรา รู้ว่าพระพุท ธ, ธเจ้าสเสด็จมาก็บ่อจากเก่าวางว่าจักแต่งสร้างอยอตานจักธรรมะการขับไว้รักษาสินไห้กับตนเต้าเม้าวนพมาท บอกเกิดขวาต่างว้ยลำสีใจนั่นใส่คนหนึ่งเกิดไข่ไปมาก็ไข่จากกาอูบอกแกมูสหายว่าเราควรกินจีนปาลาไหลกับเราอันเด็ดเด็ดเราต่างวันเป็นนิรันจะใจเงินบาไตคำขามีนำนานันสดจากมีประโยชน์เหลือหลาย ส่วนแถมใจหนึ่งเล่าว่าเราควรกินข้าวสาลีอันงามดีหอมอ่อนเก็บไว้บ่อพันสามบะษาตั้งโพช น, นาหลายสิ่งราสานิ่งเอาใจคนหนึ่งใครตานกล่าวว่าควรเราจืนเจ้าหงแกงยังคงกินแป้งต่างๆตามไฟอ้างใจหมยเงินคำลายนั่นสดจริงมีประโยชน์ดี คนหนึ่งไขว่าตีเกาอ้างว่าเราบ่มกสร้างกันได้ยาำเราไขออกปากว่าจักเงินคำมากนำนายิ่งในโลกาน้อยใหญ่บ่ไขใดหรือมีจุมนารีย่อยน้อยย่ำไฟห้อยเงินคำเรามีนำปานปอเอาจักเอาหล่อตกปัน เป็นรางวัลจูโผูแล้วเล่นจู้ตามใจเงินคำใสนั่นโสดจริงมีประโยชน์เลื่อหลายสามสหายกว่านี้ฟังมันจีไครปันต่างหันตันจู่ผูรับพ่ำรู้ว่าดีดีก็มีหันและนะ เตตะต่อปัญญ า, าแต่นันไปไปนาศีสหายบาปกาจังไรหันยิงได้งามาจวันนาวิลาชโซภากันปียาไ่หอยบอกว่าลูกน้อยเมียภัยก็เอาเงินไปหยัดอยู่หลักเล่นจูยินดีเสียงซองหมื่นปีเป็นขานาด กันกากาดดับขันก่อปะกันไปใหม่ในนรกใหญ่อาวจจิสาเวทุกขีบ่อเหือร้อนไม่เดือดไว้วา <c oughs> เสียงเจนสาสนาพระเจ้าตนดนึงเหลาดีดีวิบากมีหล่อเศษกันปนจากเขตอาวจีซ้มโตโลหกุมพีแถมเหล่า ร่อนไม่เอานำนาโลหะกลุมพีนันนาเล็กกว้างหกสิบโยดออางเป็นไม้สี่สหายนั่นใส่ร่อนเอาไม้นำนาสามหมื่นวาซาดวางป้นจริงลงรอดกลนโลหะกลุ่มพีสามหมืนปีครบจอดจริงขึ้นรอดไปบนเขาต่างคนไฝ่หอยไข่เกาท้อยกระถา ก็บออาจาเสียงไข่เต้าเก่าอักขระไว้ตัวเดียวก็ปอกเหลียวตีเก่าคือจมลงเหลาหายไปเสียงสันใดนั้นเหล่าอันเต้าเจ้าปุรีฟังหัวตีแรกเก่าขอจุงเหลาไขรมาเจ้าปาราเกา่าจีวาตุดังนี้ดีดี ในฟังดีที่สั้นจำจืมมันในใจพระจะไขเติมแทงหือที่แจ้งสุดปลายอันสัตว์รกลายเก่าไว้ <c oughs> บ่เสียงไข่สุด ร, รมหือเจ้าหอ่อคำแจ้งที่จรจักจี้ไข่จาว่าตู้นั่นนาเป็นเก้าก ร, รมตานเลายัางมี ว่าตุจีวิตามจีวิมหาเนสันโนนาตตามหาเสวิจามาเนสุโฟเกสุติปังนากรมหันโนดังนี้วาเราตั้งหลายนี่ใสบ่อเคยใด้ยีตานกรรมบันดานจ่องก้องมาเกิดทองโลหะกุมพีสเวยทุกขีคำเจ้าจีวิตมนเศร้าขีมอง ยามีเข้าของบ่อไร่ป่อยบอดใบปาลาบ่อปิจาระนาคึดแผ่สร้างติเปิงแกตัวตนจริงตาร้นไม่เดือดบ่อหูเหือดคืนวันเลยนะอาตาในกาละนันไสพระติวัยทรงทมกันไข่กัมบอกเล่าต่อกาทาเก้าหัวตี เออเจ้าปุรียอดใหญ่หัวแจงไข้สุดปลายพระบุญภายยอดซอยจริงเกาวท้อยจะทามว่าเสียงทวนสองสามและสี่เต่าได้ยินทีสันได้กันเจ้าห่อใจขับไว้ว่าตามดังใดฟังมาวาสะนะโสติต่อเป็นกัมยอดีลีไ ด, ด้ฟังดีแต่ใส่บ่หอนได้ผิด พ, พัน <c oughs> พระกุณทันยอดซอยจักต่อถอยกถาหื้อพญา ย, ยดใหญ่หูแจง้งไขตามมจริงไขวาติบอกเราแก่เต่าเจ้าปาราวาสะนันนาหากย่อมีกรรมต่อยาวไปว่าสัทถิวัตสหัสสานีปริปุนนานิสัมปสนิรัเย ปัจจานาดังกาตาอันต่อภาวิสาตสติดังนี้ว่าเมื่อเราตั้งหลายมาไมในนรกใหญ่โลหกุมพีหกหมื่นปีครบไขวารู้จากปนใดยามใดทุก่าัดใจลำร้นบ่หูวันจากปนเครื่องกานลยนะ กำบาดนะนันนาเป็นเก้ามีกำต่อเล่าตัยไปว่านัทที่อันโตกุโต อ, อันโตนันโตปา ต, าติชาติตาตาฮิกะตังปะปังมามาตุยหันจะมาริสาดังนี้ว่าดูราเจ้าเราเฮยมวลหมูอันมาตกอยู่ในโลหกุมพี บ่อหอนมีตัางป้นบ่อมีตัางหล่นภายพันพอบ่อหันแต่ใส่ว่าจากป้นใ ด, นดย่มใดย้อนกำจังไรบาปเศร้าอันข้าและเจ้าตั้งหลายใดคงควายสร้างก่อทมปานปอนำนาย่าเรารามวลหมู่ใดเกิดอยู่เมืองคนอากุศล น, นั่นใสปะฮือใดเสื่องกาบัตรนี้และนาะ คำว่าโสนั่นเราเป็นกำเก้ากาถาเป็นคำจ่าอัญโอมีคำต่อยาวไปว่าโสหังนูนอิโตกันตวาโยนิลัดธานามาโดสิ่งว่าตันโยเสละสัมปันโนโกาหามิคุสลังพะหงดังนี้ ว่ากันยามเราได้ผากพ้นเสียจากโลหกุมพี่ป้าตนนี้ไปเกิดเอากำเนิดเป็นคนมุนกุศล น, น้อยใหญ่จากกระทำไว้ น, นำจากฟังกรรมนักพาดบาเว้นขาดเสียสินบอมวิไว้วันจากตั้งอยู่มันตามทำในนะา กันไข่กาถาสุดซอยพระยอดซอยองค์คำจริงไข่คาต่อเล่าว่าดูราเต้าเจ้าปุรีจุงฝังดีจำที่สัตว์นรกสีสหายต่างคนใ่ไฟหอยไข่เกาทอยกาถาบ้ออาจาจเสียงไข่เต้าเกาอัครวัยตัวเดียว แล้วรีบเร็วไว้ว่งจมลงต้องโลหกุมพีและน่าส่วนพ ญ, ญานยศใหญ่ฟังเสียงไข่สุดปลายสังเวทลายนักแก่เกิดขึ้นแผ่หอระทยก่อข้าดิ่งในความรู้ว่าการเล่นจูพิธรรม หากเป็นกรรมนักใหญ่ปาฮือได้ตกเงาเวจีตั้งโลหะกุมพีแถมเราดังใจหนุ่มเน่าสีสาหาย <c oughs> บ่มีหมายป้นได้ร่อนเอาไม่เป็นนิรันทุกขืนวันไม่เดือดบ่รู้เหือดบางเบา ส่วนตัวเรานี่ใส่ได้มักไฟสิเนหาในภริญาผู้อื่นใจต้องตื่นอาวรนหลวดรับนอนบอดได้หมดเสียงไข่อยทีเป็นกครรโบอดีจะถอยดังพระยอดซอยจะใครแต่ดีไปไปนาเราเจ้าฝ่าภูมิ จากเวนนีไก่หางบ่อไฟอ่างสิเนหานยังพาริญาใจอื่นพับแผ่นปื้นธรณีแล้วไขวาตีบอกเราแก่พระเป็นเจ้าทรงยานว่าข้าแด่พระจินนามันตีไวยข้ารู้ได้เป็นไมยว่าไรทียาวลายเลือดแหลยามนอนพัดแผ่เววา นนำนาแต่เราจะถถงรุงเจ้าเรื่องไรส่วนใจเข่นใจอยากไรอันเต้าใจวันวานพงเศร้าซายัางย่อนอยู่ในบ่อนวิหารฟังเต้าภูบานกาถอยใจจื่อจ้อยอ ย, ยินดีจริงอันจุลีก้มเก่าไว้พุทธเจ้าหยอติโลกา ว่าวันนี้นาเตาาไทยหัวแจงไข่เป็นหมยว่าร้อยทีเหย้าไหลบ่อน้อยส่วนข้าคอยจำไม้ว่าห ย, ยดหนึ่งเหย้าไหลแต่ใส่หัวแจงไข่วันวาย่อนพาญยาที่ราชได้วางขาตกปันเฮไปปันรีพาวแล้วือปอกดาวขึ้นมา ขากาว่าปิ่นเก่าคือพระพุทธเจ้ายอดขุนธรรมฟังเจ้าหอคำยดใหญ่และใจอยากไรไขปันจากเตรียมกันหือแจงพระจริงแสงไขาจาว่าคนเวตาณาลำบากก็ว่าคืนหนึ่งหากแาวลายคนผันพายหิวหอดบ่ได้จอดเศรา้าซา ก็ว่ายอดหนึ่งนั้นนาไก่โหดดังสองสามยอดเป็นผ้ามานส่วนวัตะสงสารตายเกิดเอากำเนิดเววนแห <c oughs> ่งจุมคนบอดใบบ่อรูไข่กองทำเมือนนาํำแต่เราบ่อหูเก้าแล่ปลายพระบุญภายยอดซอยจริงต่อถอยเตศสนา วาติี่ขาจะการะโตระติงติ่ขังสันตัานโยจะนั่งติโขปาลานะสังสารุสธรรมังอวิจานะตั้งดังนี้ ว่าคืนหนึ่งเมินแต่ใสแก่คนลับบ่อดดังใจโยดหนึ่งไก่บ่อน้อยแก่คนอ่อนม้อยรวยแรงสงสารแฝงตายเกิดเอากำเนิดไว้บนแห่งจุมคนใบบอดบ่อหูรอดกองทำเมื่นน่านำแต่ใสนับบ่อใดดีดีอันว่าร้อยทีนั่นใสนับอันใดสามยาม ส่วนคนไล่ลามน้อยใหญ่พู้รับบ่อใดดั่งใจคนเหล่านี้เมื่อใครคนหนังไก่ฟังทำคนไข้คำกล่าวจี้ฮือแจ้งทีตามรายคนโรก็ไลายถูกต้องในแห่งห้องอินทีก่อวาร้อยทียาวมากนานแจ้งหากเรือใจ จัดน้าไปกดแขวดโยดหนึ่งแปดปันว่าคนไก่กาเตี้ยวต้องเจ็บปวดหน่องรวยแรงเตี้ยวบ่อแข็งหิวหอดบ่อได้จอดเศร้าซาก็วันโยดนั้นาไก่โหดดังซองสามโยดเป็นไมายส่วนทรงสันตายกับเกิดเอากำเนิดเวบนแห่งหมู่คนใบบอด บอกหูแจ้งรอดโปที่ปักขิญธรรมเหมือนหน้านำแต่เล่าบอกเก้าแลปลายบอกมีหมายได้ผาคนเสียจากสงสารเนน <c oughs> าพระเจ้าส่วนพระ ญ, ญาปเสนติโกศลราชเจ้าภาศาใจ ส, สีฟังพระมูนีนยอดซอย เกาเสียงซ้อยสุดปลายแกลล์อกอเทาวายก้มเก่าปิกปอกเขาเวียงใจรีเปลวไว้ปุ่งขาดหื้อหวกเข้าหาดโยธาปล่อยสัตวนาหนา้าน้อยใหญ่อันมัดไว้ลวงลายตั้งเด็กจริงใจอ่อนน้อยก่อเฮือปล่อยจูคนคนก็มีวันนั้นแหละนา เททีตังขีญาสังมันานาเก้าเหตุยังหัวใจเพิดผูกสุดปลายกอบังกมสมริจเสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล